ทำนะอยู่่เลย บา โดยคนอื่นคือมันดีทําเองหาเองโดยส่วนใหญ่เขาให้มาโดยนามสายใจศรัทธาที่อยู่ที่อาศัยเขาสร้างให้หรือถึงจะสร้างข <c oughs> ึ้นเองก็ดีก็จะต้องมีภายในเกี่ยวข้อปกติ นักบวชในทางพุทธศาธสนาท่านหนึ่งหวังอยากจะให้สร้างใจสร้างภายในของตัวไม่ให้เกี่ยวข้องตังวลกับสิ่งภายนอกเกินเกินเหตุเกินผลแต่นั้นพวกนักบวชที่บวช้ามาหากมาพิปฏิบัติ ตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือศีลตั้งหน้าตั้งตารักษาข้อที่ตันห้ามทำตามสิ่งที่ท่านอนุญาตหยุดสิ่คิดปรุต่างๆมีสติละลึกว่าคิดคิดถูกอย่างไรเป็นทางละ ถอนกิเลสหรือไม่หรือเป็นเรื่องเพิ่มเติมกิเลสส่งความยุ่งเยิงวุ่นวายให้แก่ตนเองตอนและคนอื่นก็ให้ที่นิพพิจายนาด้วยสติด้วยปัญญาอยู่สม่ำเสมอจึงใดที่เป็นใั่แก่ตนและคนอื่นไม่ควรคิดควนปุงในสิ่งนั้นรักษาหน้าที่ อสมณะคือความสงบทำอะไรไปเที่ยวกัความสงบสงบ ก, กายสงบวาจาสงบใจไม่ให้กายไปทำสิ่งที่จิตจับเขายินไนคือสีนวาจาพูดสิ่งที่จิตเขอยู่นในคือสีนของตัวไม่ให้จิตจิตชั่วลงชั่วเรียกว่าอกุศล วิตกเป็นตนว่ากามมารวิตกพยาบาทวิตกมีหงษารวิตกรักษาอยู่ทุกระยะรักษาอยู่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งภาวนาเดินจงกรมหรือเดินมินทบัตสามารระวังรักษาจิตของตัวอยู่เรื่อยเมื่อจิตคิดสอนจิตของตัว ว่าการคิดนี้เป็นภัยแก่ธรรมดีไหนเป็นภัยแก่ใจของตัวจะได้รับความหุ่นวายเศร้าหมองหุนมัวต่างๆเขาคิดนอกลู่อกทางทู่พุทธเจา้าแนะนพยายามสอนจิตจิตปรุงแต่ทางที่ถูกทางที่ถูกก็คือมัก สัามมาทิฏฐิสัามมาสังกัปโปสัามมาวายาสัามมากรรมันโตสัตามมาอจิโวสัามมาวายาโมสัามมาสติสัามมาสมาทิฏฐนี่เป็นทางที่ถูกเมื่อทุกคนรักษาจิตของตอนไม่เหตุจงไปในทางผิดจิตแต่ในทางที่ถูกจิตจะมีความสงบจิตจะมีความเยือกเย็นจิตจะรู้เห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริง ละถอนสิ่งที่เคยข้องจิตจิตดวงต่างๆเป็นพระนาลาเป็นพระนาว่าเป็นพระนาบูชาเพราะมีสติมีปัญญามีศีลสมบูรณ์คนที่รักษาตนเป็นสมณะเป็นพระอย่างนั้นโลกทั่วไปต้องการกัน จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยอำนาจทำที่มีอยู่ในกายในใจของตัวจะดึงดูดประชาชนคนละเมืองให้เหลื่อมใสสศรัทธาที่อยู่ที่อาศัยกว่าจะมีคนก่อร่างสร้างให้ปัจจัยอาหารต่างๆเขาก็จะหามาถวายตลอดถึงเครื่องหนุของห่ม เพราะอำนาจทำรักษาปููกประพฤตรทรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วไม่อดยากยากจนไม่ถูกตันนิมินทาด้วยเหตุว่าตัวของตัวเองรักษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าหินก่บอบริสุทธิ์จิตก่บริสุทธิ์ปัญญาก็เลิศเปิดเสริ ในการที่จะแก้ไขจิตใจของตัวนี่คือผู้ประพึกปฏิบัติทมผู้เป็นสมณะผู้เป็นพระเป็นเนในในทางศาสนาหากไม่รักษาคิดปลูงไปต่างๆทําไปต่างๆพูดไปต่างๆขอที่ท่านห้าม ก็ฝ่าฝืนฝ่าที่ท่านบอกให้ทําผัหนึ่งนอนใจไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเป็นเพศแต่เทียงว่าผ่าเหลืองภายนอกเป็นเพศของพระแต่ใจยังเป็นอะไรอยู่ไม่มีอะไรประเสริฐที่จะเรียกว่าพระได้ ไม่มีอะไรที่จะสงบเรียกว่าสมณะได้คนเช่นนั้นไปอยู่ในสถานที่ใดเพราะมาได้เอาใจใส่รักษาตัวของตัวความปุ่งจงของจิตใจคิดชั่วมักอยากจะเกิดขึ้นสม่ำเสมอตมิสถานที่ตมิครูอาจารย์หมู่คณะตมิฆราวาสญาติโยม แตเขาไม่ได้เอาใจใส่ดูแลรักษาต่างๆนานา น, า น, านีด้วยอำนาจกิเลสตัญหาความอยากของใจไม่มีธรรมนิยมจะต้องรั่วไหลไปทางชั่วอย่างนั้นฉะนั้ น, นผู้ปฏิบัติท่านจึงกล่าวว่านักบวชหรือผู้ปฏิบัติให้มักน้อยสันโดด ให้คิดแนะสอนตัวเสมอว่าตัวเป็นตัวที่มีเทศต่างคเรื้อรัอากับจิริยาธาตีต่างๆจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเรื่องของสมณนะการขบฉันอยู่อาศัยก็ให้เป็นง่ายอย่าให้เป็นยากเพราะได้มาอะไรที่ให้มาด้วยน้ำ ใ, ใจใจศรัทธาจะเป็นของ ดีหรือไม่ดีขนาดไหนแต่เขาก็าให้ด้วยน้ำใสใจศรัทธาของเขาเราก็าให้เชื่อว่าของนั้นเป็นของดีของบอริสุทธิ์ฉันดื่มหรืออยู่อาศัยอย่างสบายใจเพราะเราไม่ได้ไปหาของทุกอย่างที่เขาให้มาเป็นของที่มีค่าไม่ใช่ของเขาทิ่ง ไม่ใช่ของที่หาราชานี้ได้เป็นของหยิบของดีสําหรับเขาแต่อำนานจที่เขาหายากอำนานจที่ตระกูลของเขามีเพียงแข่นั้นเขาก็ให้มาตามศรัทธาของเขาเราต้องยอมบริโภคยอมนุ่งหม่มยอมอยู่อาศัยอย่างสะดวกสบายเพราะของทุกอย่าง ที่ได้มาไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายได้เป็นของที่ลำบากสแสวงหามาไม่ใช่มันห่อมาเองลอยมาเองเขาหม้อเขาวถ่วยถ้อยจานแล้วเขาเอามาให้ทานเลยไม่เป็นอย่างนั้นแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่ละสิ้นแต่ละอันเขาต้องสแสวงหาลำบากยากเย็นกว่าจะได้มาไม่ว่าของมีวิญญาณหรือหาวิญญาณ น, นี้ได้ มาปรุงเป็นอาหารถ้าวผ่อนท่อนสบายกาเหมือนกันไม่ใช่ขอ ง, ง่ายง่ายกจะได้มาเป็นผา พ, พื้นเมืองธรรมด า, า่าวป่าก็ต้องท้างป่าท้างดงเพราะปลูกกันตั้งเป็นเวลานานพอจะตกดอกออกผลพอเจ็บได้มาก็าจะต้องมาทำให้เป็น เส้นมาปั่นมาทอให่เป็นผืนลำบาแล้วกของนี้ค่าในใจของเล่นๆแต่นั้นเราต้องเห็นคุณเครื่องนุ่งของห่มหรืออาหารการกบขันทุกอย่างอย่าไปคิดว่าของนี้มันต่ำช้าลามกไม่สมกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ มีความคิดถ้าคิดไปอย่างนั้นจิตใจของนักปฏิบัติจะไม่เป็นธรรมจะยู่ยยากปฏิบัติใจให้สบายไม่ได้เพราะความอยากของใจมันไม่มีเมืองพอเหมาะสมนีม่จะอยากปุ่งปุงอยู่สม่ำเสมอไปถ้าเราสอนใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างทำตัวให้เป็นคนเรียงงา่ายได้อะไรอยู่อย่างไร พออยู่ไปขอให้ได้ประพฤติ ป, ปฏิบัติทางใจสะดวกเป็นพอมีมากก็ร้อนใจไหวดีแล้วเขาให้มาดวยอัดดวยทำเราบริโภคขบฉันหรือนุ่งห่หมแล้วจะเป็นความคำผากความเชียนเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยทั้งตัวมีน้อยอดอยากจนก็ดีแล้ว ก็จะได้คมขีทกิเลสมันมากาใหญ่ไฟสูง <c oughs> นี่เป็นอุบายปัญญาที่จะแนะสอนจิตใจของตนไปได้ ร, รับผลคือความสงบในคิดอิจฉาพยาบาทคนอื่นเพราะทุกคนที่มาบวชมาด้วยศรัทธาหรือความเต็มใจของตนไม่มีใครบังคับบัญชา แต่เรามาบวชเราอยู่ได้ั็โดยอำนาจศรัทธาไม่ใช่ว่าผู้บวชแล้วจะศึกไม่ได้ศึกได้ไปได้กฎหมายไม่ห้ามเมื่อเราอยู่ก็ให้อยู่ด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติทำดีไหนให้ถูกต้องเมื่อทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้หมดศรัทธาคลายความเชื่อความเลื่อมใสไม่เต็มใจในทางปฏิบัติก็ศึกหาลาพุไป อยาให้มาเน่าจะให้มาเหม็นในวัดในวาในหมู่ในคณะตองสอนตัวสมั่มเสมอทางที่จะสอนตัวมันมีหลายแง่หลายมุมทางที่จะพิจรารณาให้ใจสงบมีมากถ้าหากเราไม่พิจรารณายังแต่จะเอาสุขเอาสบายถ่ายเดียวแต่ในลงมือทา ในคนคิดคิดถูกนั่นมันเสียใน ม, มีวันเจอความสุขความส ง, งบได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างคิดอย่างเดียวไม่ได้ลงมือทํามันก่อนสําสเร็จประโยชน์น ไ, มไม่ได้ถ้าหากลงมือทําและคิดคิดถูกอย่างไรรักษาหน้าที่ของตนนั้นมันสําเร็จรุ่งเรืองไปได้แต่นั้นจึง ที่จะทำให้คนสำเร็จตามความมุ่งหวังทางคำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้ไ่าอิทธิบาท <c oughs> คุณเพื่องสำเร็จตามความปราถนาอิทธิบาทคืออะไรสันทะพอใจรักใครในเหตุของตนในการเป็นอยู่ของตนในการกระทําของตน รักสงวนฝ่าฝืนยินดีเต็มใจในการประปฏิบัติอักธรรมริยะภาคเทียนพยายามเราต้องการความสงบเราต้องการความพทุกภาคเทียนละถอนทางกายทางวาจาทางใจสิ่งใดที่เป็นภัยต่อมากสอบผล ไม่ควรที่จะฝ่าฝื้นฝื้นธรรมไปพยายามสอนใจของตนอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าการเดินการนั่งการนอนชนิดที่จะอะไรนะว่าใจของเราอยู่ในขอบเขตธรรมะหรือไม่หรือลัวไหลไปแง่ไหนมุมใดก่อนจะหลับใจิตใจของเราอยู่ในอัตชามข้อไหน เป็นอย่างไรู่มฟูหรือหยาบละเอียดขนาดไหนตื่นมาพิจารณาติดต่อเพราะงานของเรายังไม่สำเร็จเราจะต้องทำด้วยไปอยู่อย่างนั้นนี่คือผู้ปฏิบัติผู้มีความเชียนเชียนละเทียนบาเพ็ญในความเทียนท่านก็กล่าวเอาไว้ที่เรียกว่าความเชียนประทานความเทียนสีทนท่ 4, ท่านบอกเอาไว้ ไม่ใช่ทำอะไรก็เป็นความเคลียนไปหมดมันต้องมีสติต้องมีปัญญารักษาสังวรารประทานเคียนระวังบาปเขียนระวังความชั่วไม่ว่าทางกายคลองตัวใจกางคลองตัวหรือจิตใจขลองตัวที่ทำที่พูดที่คิดระวังรักษาคําชั่วไม่ให้ทำไม่ให้พูดให้คิด ในสิ่งที่ชั่วที่ผิดนี่เรียกว่าสังวรรประทานที่ระวังความชั่วเรียกว่าความเพียยประหัรประทานที่นี้ที่เจรณาศึกษาด้วยสติปัญญาจิตใจของตนชั่วอยู่ที่ไหนจะต้องละต้องแก้ไขทางกายก็ดีทางวาจาก็าดีทางใจ ก, ก็ดี ละออกไปขอนออกไปความชั่วนอกไม่ได้รั่วไหลมาความชั่วภายในแกไ้ไขกดเรื่องออกไปไม่ให้มีในกายปลายใจใจของตนนี่ก็เรียกว่าความเสียนในการละชั่วคือระวังความชั่วนอกทําลายความชั่วภายใน ภาวนาประทานพยายามสร้างคุณงามความดีกายมันเหยียดลานไม่อยากํำก็บังคับหมาจามันอยากพูดในสิ่งที่ชั่วที่ผิดผ็พยายามบังคับบัญชามันจิตนึกคิดในทางที่ผิดก็พยายามหักห้ามพยายามทำความดีกับความดีเท่านั้น จะยังตัวข้องตัวให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีทางอื่นความดีก็เป็นต้นว่าขอวัดปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอน้นอกนั้นก่สติปัญญาที่นิพิจรารณาคาดขันให้เข้าใจให้จิตตั้งมั่นไม่ว อ, อกแวก คอนแนไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเพราะไม่รู้เห็นตามเป็นจริงจึงไปยึดถือหรือหลุมหลงเสิดเชิญผิดข้องหากทิจารณนาธาตุขันของตัวรู้เห็นเด่นชัดไปจากแล้วเรื่องธาตุขันของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครจะมาจากคิดใด ทางใดกอตา่างหน่มแจขนาดไหนก็เป็นถาดขันอันเดียวกันไม่มีอะไรที่จะเกิดสงสัยขึ้นเพราะเห็นถาดขันของตนอย่างไรจัด บ, บุคคลอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นความใจไปจักชัดเจนอย่างนี้จิตตั้งมัน่นไม่หลงวุ่นวี่วุ่นวาย คนคิดติดตามเรื่องหนอกทิจรารณาแต่ในฐานในขันของตัวอย่างเดียวก็ทั่วโลกทั้งโลกมีหยียงว่าภาวนาประทานคือทาจิตทาใจองตนให้เป็นกุศลให้เป็นอาจเป็นธรรมจนจิตสงบระ ง, งับดับเรื่องภายนอกลงรวมเป็นสมาธิมีความเยือกเย็น มีความสงบมีความเบาสบายหายจากความยึดติดคิดปรุงต่างๆดับสัญญาเวทนาในตัวลงถึงที่ถึงจุดเราจะเกิดอัศจรรย์ความสุขของจิตนี้ประเสริฐพิเศษอย่างนี้จะเชื่อมั่นอนุรักษนาไปทานพยายาม รักษาจิตใจที่เป็นอัดเป็นทามอย่างนั้นไม่ให้เสื่อมไม่ให้เสียพยายามรักษาความเป็นมาของจิตที่ได้แล้วไม่ให้ตกหล่นออกไปมีเรียกว่าความเพียนของใจความเปียนของปุบรีบัยจิตตะเอาใจใส อยู่สม่ำเสมอทำอะไรเอาใจใส่ไม่ใช่ทำพอเสียไม่ได้ตั้งใจทำจริงๆจังจในสิ่งที่ตนทำในคำที่ตนพูดไม่ใช่พูดเล่นเล่นอยๆอยไม่ใช่ทำเล่นเล่นลอยลอยยิ้มังสาตรวจตาพิ่นพิ่ารณาคิดถูกเพื่อดีต่างๆนี่เรียกว่า ทำอิทธิบาทคนที่มีความรักใคร่มีวิริยะของกายของใจมีความเอาใจใส่มีการพิจารณารอบคอบสม่ำเสมอจะทำทางใดไม่ว่าทางธรรมหรือทางโลกคนนั้นจะสำเร็จได้ตามความมุ่งมากกาขนาที่เรา ไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่เป็นอย่างนั้นทมเอาใจใส่รักให้ในการแต่ทาไม่เพียงขอร่มลุกคุกคานเรื่อยไปเยอะตั้งใจเดียวหายถ้าเป็นอย่างนั้นมันช้าหรือบางทีก็อาจจะไม่พบไม่เห็นความสำเร็จในการงานทองตนหรองาน เบาก็กลายเป็นงานหน่ะงานง่ายก็กลายเป็นงานยากเพราะความไม่เอาใจใส่เพราะไม่เต็มใจแต่ทำถ้าหากเต็มใจรักใครงานอันนี้จะได้ผลมาสู่ตนของตนคนทำนาตบมุ่งหวังข้าว ตาของตนที่ไปปักดำนั้นจะให้ผลแก่ตัวของเขาถึงฝนตกเขาก็ไม่ยอมเขาล้มพยายามปักดำทำกันอยู่แดดร้อนขนาดไหนก็พยายามปักดำทำไปจนสำเร็จคนทำสวนกมเหมือนกันเขาก็เห็นผลว่าพืชของเขาที่้าปลูกลงไปนั้น จะให้ผลห่วงนักภาวนาก็ให้ทำแบบนั้นเชื่อมั่นว่าการภาวนาการรักษากายวาจาจิตจะนำความสงบถูกมาให้ถ้ารักษาได้ถ้าปล่อยปะละเลยจนแต่เพศเป็น้าเป็นเนียนแล้วก็ไม่มีวันเมลา้ายิ่งใจฟุ่มเฟุอไปกันใหญ่พาะเหตุใด พระพาเนนไม่ควรมีการมีงานทานอาหารของเขาเราไม่มีการมีงานอะไรที่เหลือของใจเลยฟุ้งซุ่มคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดสมบัติบ้าหาขาหาเนนในครัวไม่มีมันคลอยเสียไปถ้าใจจริงจังอะ่ะไม่ว่างงานโลกไม่ว่างานทำมีสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพระพุทธเจ้ารับรอง คนนั้นจะสำเร็จทำอะไรสำเร็จไม่เหลือวิสัยเรื่องเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าอยู่กับตำหรับตำลาหรืออยู่ที่อื่นฉันทะความพอใจก็อยู่ในตัวของเราวิริยะการถากเทียนพยายามทำก็อยู่ในตัวของเราอีกจิตตะอยู่ที่ไหน อยู่ต้ไม้ภูเขาหรืออยู่ภูไร่ภูนาอยู่ป่าอยู่ดงหรือจิตก็ตอยู่กับเราอีกริมังสาก็เหมือนกันนิพิจารณาใครเหล่าเป็นผู้ทิ่นิพิจารณานอกจากตัวของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทสรุปแล้วเป็นเรื่องของเราทั้งหมดท่านสอน อยากจะให้เรามีความสุขสอนอยากจะให้เราพ้นทุกข์ด้วยพระเมตตากรุณาจริงจังไม่ได้คิดดอกเบี้ยกำไรอะไรจากการแนะนม่เหมือนครูอาจารย์อื่นๆถ้าพทดให้าก่าสอนด้วยพระเมตตากรุณาจริงจังแต่นั้นเพียงควร เคารพควรกล่าวว่าควรระลึกถึงควรเชื่อควรทําตามเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวของตัวนักปฏิบัติไในมุ่ง ม, มั่นในที่จะได้นาอัดทาแล้วก็ไม่มีใครที่จะเจรินาได้เพราะวันเวลาของนักปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะไปยุ่งเหยิงเกี่ยวข้อง ส่วนอื่นไปเป็นนักปฏิบัติจริงจังอย่าใดจะชื่อวามสุขความสบายเป็นอย่างไรไม่ต้องถามใครเพราะเราเห็นเราเป็นอยู่ในเราพระพุทธเจ้าสอนอยากให้เห็นให้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างท่านก็ไม่มีอะไรที่จะพัวพันของจิตไม่ว่าโลกมนุษย์ยุเทวโลกพรห ม, มโลก เพความสุขของจิตของใจหรือรู้เห็นเด่นชัดว่าการปฏิบัติอัตธรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีเด่นประเสริฐวิเศษสุดแล้วจะจะได้อะไรอีกพอถึงที่สุดแล้วพอถึงความสุขแล้วได้สิ่งที่ต้นปรารถนามาแล้วมันก็หมดปัญหาทั่วไป สวนเรื่องของโลกไม่มีจบสิ้นได้หมืน่นยาได้แสนได้ล้านได้เท่าไรไม่มีเมืองคอมีเรื่องของโลกเรื่องของวัตถุหยุดใจถ้าหากมีธรรมะจะไปอยู่สถานที่ใดสะดวกสบายตายก็ไม่เสียใจเพราะเราได้คุณค่าสารประโยชน์จากกายจากใจของเรา ได้ที่นี้ที่เจรณนาแต่อบร ม, มรักษาคนที่ตายไปในป่ไวยไข้เดือดร้อนวุ่นวายต่างๆขอเพราะอำนาจที่เขายังไม่ได้อะไรกำลัง <c oughs> ดื่มกำลังทานอยู่ยังไม่อิม่มแล้วมีผู้เอาของสิ่งนั้นหนีไปหรือของสิ่งนั้นหมดจึงมีความเสียใจเสียดาย ่าอิ่มพอบอลลีุญมะเป็นอย่างนั้นการอยู่กับการไปคุณค่าเท่ากันไม่มีอะไรเสียหายร่างกาย่เราว่าตายท่านก็พิจรารณาแยบคายของท่านถาดินมันก่อสลายลงไปเป็นดินตามเรื่องของมันน้ำมันก่อซึมซาบลงไปหรือเป็นไอขึ้นไปตามเรื่องของน้ำลมไฟก่อทำนองเดียวกัน ไม่มีอะไรตายมีแต่สมมติเตท่านั้นตาท่านคอยใจแยกคายเป็นจริงท่านจึงไม่ตื่นเส้นในลุ่มหลงนี่พวกเรา ไ, ได้ที่นี่ที่เจรนาอย่างนั้นจึงหลงทัานหลุด ง, ง, ง่ายๆหลงอารมณ์ของตัวหลงสัญญาของตัวหลงสมมุติหลงโลกเข้าว่าดีอย่างนั้นเข้าว่า ดีอย่างนี้ก็หลงไปตามแต่มันดีขนาดไหนอย่างไรไม่ไดีแก่ไขทิจนาหาความจริงเข้ามยจิดจู้ว่าวุ่นไหนีีความสงบนี่แต่ความโงงใสในตัวของตัวเลื่อยไปพอเหตุใดเพราะม่พินจนาตามเรื่องเป็นจริงถ้าพิจนาตามเรื่องเป็นจริงแล้วมันหมดเป็นทางหมดทางสุดทางสิ้น ทางปล่อยทางวางคำสอนของพระพุทธเจา้ามีทางขึ้นสุดหมดสงสัยส่วนเหลืองของโลกอย่าไปนึกคิดว่ามันจะมีความสมบูรณ์คูนสุขคนที่ยังไม่มี ลูกมีเมียมีผัวก่นนึกอยากได้หรอคว า, ม, ามสุขจะอยู่กับลูกกับผัวกับเมียพอได้มามันทุกข์ขนาดไหนเห็นไหมเวลากินลูกร้องไห้ก็จะต้องอะไรไปดูแลรักษานอนหลับหลับลูกร้องไห้ก็จะต้องตื่นมาดูแลอีกมันมีความสุขที่ไหนได้อะไรมามันให้สุขมันไม่มีนะ สมบัติพระสถานเสาของเงินทองบ้านเรือนรถเรือต่างๆมีมากเท่าไรก็ให้ทุกไปเต่านั้นหาพี่เจริณะในด่านทุกแต่คนหลงกันชมกันแบบเขารวยอย่างนั้นเขารวยอย่างนี้ก็เขาเกิดมาอย่างไรเขาตายไปก็อย่างนั้นเราเห็นกันทั่วโลกเขาเกิดมามีผ่ามีขอนขอนสบายติดตัวมาไหมเงินทองเสาของติดตัวมาไหม ก็ตายไปร่างกายก็สลายไปเป็นดินน้ำไฟลมตามเรื่องผมผลเส่นเดียวจะเอาจิตตัวไปก็ไม่ได้จะไปหลงเถิดเพลินกันทำไมเดียที่เจรนาหามูลเหตุวความเป็นจริงทางธรรมะสอนให้ที่เจรนาหามูลเหตุหาความจริงเพื่อละถอนจิตใจที่คลองจิตนึกคิดต่าง แล้วจิตจะปล่อยวางไม่ยึดถือในตืนเต้นไม่หลงไหลมีใจมั่นคงอยู่ทุกระยะอารมณ์สัญญาภายนอกภายในเกิดมาอย่างไรใจไม่หวั่นไหว เ, เอียงไปตามเรื่องสัญญาอารมณ์นี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติทมผู้เป็นสมณะสงบอยู่ทุกระยะทุกเวลา กเป็นพะตัวเองรู้จักว่าจิตของตนประเสริฐอยู่ทุกขณะทุกเวลาป็นใจเพียงแต่เทศจนพะถึงใจพวกเรานักปฏิบัติลงพากันทีนิ่ที่เจรนานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนตัวรียบเร่งการทำบำเพ็ญรักใข่ใน ความภาความเชียนรักใครในหน้าที่การงานรักใครในกรรมฐานของตนที่จะทำบำเพ็ญอยู่พยายามละถอนั่วเสียต่างๆทางกายวาจาและนามใจบำเพ็ญความดีให้เทวีคูณขึ้นความดีที่นี่แล้วประรักษาเอาไว้อย่าให้ตกหล่นเสียหายไปนี่คือความเชียน พผูุทธเจ้าสอนนักบวชนักปฏิบัติให้ต่างหน้าต่างตาฝึกอบรมตัวของตัวเพราะจิต ถ, ถ้าฝึกอบรมได้แล้วได้ชนะกิเลสแล้วประเส ร, ริฐวิเศษยิ่งกว่าเป็นพระเรจา้าจักรพรรดิล่าไม่มีอะไรที่จะประเส ร, ริฐวิเศษเท่ากับจิตหมดกิเลสหมดตัณหามีความสุขคาสบาย เหนือโลกเหนือโลกขันจังหวะนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสง บ, สงบของใจขันสมาธิก็เป็นอีกอย่างหนึง่งขันปัญญาสิละถอนเป็นอีกอย่างหนึง่งขันวิมุตสิหลุดออกไปจากโลกก็เป็นอีกอย่างหนึง่งแต่ถึงอย่างไรก็ดีความสุขเป็นที่ปรารถนาะ ของมนุษย์ทั่วไปเราพยายามฝึกกายวาใาใจของตัวให้เข้าไปสู่ความสุมสงบพราะวันคืนเดือนจีมันเป็นอยู่อย่างนี้เราไม่เกิดมามันก็มีหน้าร้อนหน้าหนาวหน้ า, นาฝนมีกลางวันกลางคืนมีคนหนุ่มคนแก่มีที่สูงที่ต่ำ โลกอันนี้ไม่มีอะไรที่เม่แตดที่ใหม่เป็นของเก่าอยู่อย่างนั้นช้างช้างที่เราังไม่เกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราตายไปมันกูจะเส็นอยู่อย่างนี้เราเกิดมาเราก็เห็นอยู่อย่างนี้ไปหลงไปยึดไปติ ด, ไ ป, ดไปของอะไรไปพิจารณาไปทั่ถวถึงในอย่างนั้นจิตใจจะว่าวุ่น ขศร้าฝันนคิดปรุงแต่งไปต่างๆทําทจิตทําใจของตนให้เศร้าหมองทําตัวของตัวให้เสียเวลาทําทตัวของตัวให้ชั่วเราต้องสอนตัวของตัวอยู่สม่ําเสมอมีสมณะสัญญาูว่าเราเป็นพระเราเป็นเนนไม่ใส่กะละว่าเป็นนักปฏิบัต เวลาไปบินธบาตกำหนดจิตไปออกจากวัดกำหนดอะไรมันเผลอที่ไหนกี่ครั้งต่างใหม่เหนึ่งชื่อนักปฏิบัติไม่ใช่ผูกคุยกันไปเชียงผู่กันไปใจมันคิตมันปรุงอะไรไม่ไ ด, ดีตรวจตัวห้องตัวไปตรวจความเพลินกลับมาดูวความเพลินขบฉันตรวจความเพลิน ไม่มีปัจจิสังขารโยมถ้าเราเป็นโทษไม่ว่าการหนุนการห่มการขบการฉันทุกสิ่งทุกอย่างท่านเห็นพิจาราด้วยอุบายปัญญาแยกขายใช่ใทำเล่นหาคนเอาใจใส่พิจารณากายใจของตนสม่ำเสมอคนนั้นจะมีปัญญามีความเฉลียสฉลา มีความสามารถปราบกิเลสของใจ่ายลอย่ายละเลยไปมันจะคิดฟุงอย่างไรก็แล้วแต่คิดถูกตัวดีไม่ได้คิดบัญชีกันเลยอย่างนั้นจะปฏิบัติกันไปกี่วันกี่เดือนกี่เดือนกีปีพอไม่ดีขึ้นเตือนตัวของตัวรักษาตัวของตัวไหนมีใครที่จะ รักษาให้การเนี่ยสอนเป็นหน้าที่ของครู อ, อาจารย์เราไม่มีภาระหน้าที่เราสนุกรับแขกรับคนอะไรไม่มีหน้าที่ของสิดหน้าที่ของครูน้อยมันสะดวกแสนสะดวกไม่ได้คิดเกี่ยวกัองเสียหายไป เรื่วงอื่นถ้าหากเราเป็นคู่นว่าเป็นผิดยังปฏิบัติไม่สะดวกถ้าหาเราเป็นคู่รักผู้ใหญ่เป็นคู่เป็นอาจาย์แขกคนมากกว่าหาเราถ้าส่วกส่วนพวกเป็นอย่างไรมัจะต้องเลยคิดเลยนึกมันหลายเนี่ยหลายจะทงลําบากยากเย็นแต่ใช่คล้องง่าอย่าไปนึกว่าเป็นผู่รักผููใหญ่มันจะสะดวกสบายมันหนักแสนน่ะลําบาก แสนลำบากเหมือนพ่อแม่ลูกเป็นอย่างไรจิตต้องอยู่ในสายตาของพ่อแม่ลูกทุก อ, อยากลำบากอะไรต่ออะไรแต่ควรจิตแกใส่บำรุงรักษาอย่างไรเป็นเรื่องของพ่อแม่เท่านั้นมีสันที่เป็นครูอาจารย์ก็หนักถึงแม้จะทำงานทางกา้หนักแต่การคิดจะรักษาหมู่คณนะทักวะเกินปวงมั น, นหนักเราเพียงจะรับใช้ อะไรเป็นหน้าที่ของเราเราก็ทำไปมีอะไรที่ท่านจ้ะแต่เราทำท่านก็บอกเหมอนั้นก่อนตั้งหน้าทำความเจียนเท่านั้นมันสะดวกมันสบายหากเราทำไม่ได้ในเวลาเราสบายเรายังเป็นผู้น้อยอยู่แต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่จิงจะทำได้มันเป็นไปไม่ได้มันลําบากทามันใหญ่มาแต่สี่ยงพาะลย่างเนน มันใหญ่ขึ้นทุกวันไม่ต้องต่างยศต่างศักดิ์พออายุพรรษาขึ้นทุกปีแล้วเขาก็อยากอาจารย์เอยากลุ้งฝ่อลุงปู่ไปพออายุพรรษามันสูงขึ้นดังนั้ความรู้ความสำเร็ความดีความเด่นความเจงของใจความเป็นไปในธรรมก็ให้เติบโตตามอายุตามพรรษาของปัว มีเด่นเด่นแก่มถึอายุเพียงาโน้อยแต่ความดีความเด่นความเป็นความไปข้องใจเรามีเป็นที่พึ่งที่อาศัยแล้วมันสะดวกสบายถึงเวลาเราอยากจะใช้เมื่อไรเราก็ใช้ได้พอเราหามาไว้เป็นตัวของเราแล้วสติปัญญาแต่ที่นี้ที่เจณนทุกด้าน เรืองอะไรที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับตัวของเราเองเแล้วแก้ไขได้คนอื่นที่เขามีปัญหาทางใจเพราะเขาก็มีกิเลสเหมือนกันกันกบเราเราก็มีทางที่จะแนะสอนเขาถ้าเราเด็กที่เจนามาแบบนั้นไปแก้ไขมาแบบนี้มันจป็นการศึกษาในตัวทุกอย่างหากเราไม่ดี ไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปแล้วมีผู้มาศึกษาก็ไม่มีอะไรที่จะเนะี้ยสอนเขาได้ลําบากกายลาบากใจตัวเองดูถูกตัวเองมีท่าตัวเองเพราเห็นใดเพราะตัวยังไม่ดีเลยเดินไม่รู้ไม่เห็นถ้าตัวดีตัวเด่นตัวรู้ตัวเห็นอยากจะบอกแกสอนก็บอกได้อยากแกนี้อยู่ธรรมดาก็ไม่มีอะไรเสียหายมันสบายทุกอย่าง แต่นั้นขอทุกท่านจงรีบเร่งแต่ทำบำเพ็ญจิตใจของตนให้เต็มให้ไปเพราะสถานที่าพักผาอาศัยวัดของเราก็ไม่มีอะไรเห็นพลานการงานก็ไม่ค่อนหนักหล่วงมากมายอะไรจะเดินจงกลมในตานร้ออยู่ที่ใดต็สงบนระ่าครับมนถนน้องทางเดินได้ ตลอดวันนี้แดดมาแผดเผามันสะดวกสบายทุกอย่างดีที่หารที่อยู่ที่อาศัยเขาคนสร้างเอาไว้ใครเดีพักผ่าอาศัยผ่านุ่มผ่าห่มอะไรก็มีสมบูรณ์เมื่อมันสมบูรณ์ทุกอย่างเชิงรบพวกเราสมบูรณ์แล้วไปลงมือรอบที่เลสมันจะเกิดขึ้นมาแง่ไหนมุมดใดพยายามปรากรามให้หายไปจากใจท่องตัว ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะเป็นพระเชื่อผู้ประเสริฐได้เป็นสมณนนะเชื้อผู้สงบได้มันพยายามสอนกายสอนใจข้องตัว